ในบทว่าขโยนิพานังนี้พิจารณาเห็นโดยอัตโนมัติยาธิบายว่าฝ่ายอาจารย์ผู้โจ์นั้นถือลทัทธิว่าอาการที่สิ้นไปแห่งราคะที่กิเลสนั้นแม้ว่าสิ้นไปแต่เอกเทศสิ้นไปแต่ลักษณะแต่ลักษณะสิ้นไปไมิได้เป็นสมุเทเฉดก็อาจจะเรียกว่านิพานได้โดยอัตโนมัติเห็นว่าผู้โจดถือลทัทธิชนี้เหตุดังนั้น จึงมีพระบาลีว่ากิญจิพินโยนิพานะสะอัตระการาทิโทสโตดูก่อนอาจารย์ผู้โจทย์ถ้าท่านจะถืออธิบายดังว่ามันนั้นแล้วพระนิพพานก็จะถึงซึ่งอาการอันเป็นกามาะจรและเป็นสังคตะลกขณนะเหตุว่าอาการที่สิ้นกิเลสเป็นแต่ลขนะขณะแต่ลขนะขณะเห็นปานดังนั้นสำเร็จด้วยกามาจรจิต สำเร็จด้วยเหตุปัจจัยประชุมแต่งอีกในหนึ่งมีคำดีกาจารวิสัชนาว่าประโยเคนะวินาสาเสเนวะอธิคันตภพัตตาถ้าจะถืออธิบายว่าสิ้นราคะโทสะโมหะแต่ขณะขณะนั้นเป็นนิพพานแล้วบุคคลที่ไม่โลภไม่โกรธไม่หลงนั้น สันดาลสงบสงัดอยู่แต่ละครู่ละพักนั้นก็จะได้ชื่อว่าสำเร็จพระนิพพานโดยกิจธรรมดาแห่งตนเองจะต้องขวนขวายเพียรพยายามประพฤติซึ่งสัมมาปฏิบัตินั้นเป็นว่าหามิได้แล้วเพราะเหตุที่ว่าได้สำเร็จพระนิพพานโดยธรรมดาจิตแห่งตนเพราะสิ้นโลภโทสะโมหะแต่ลักขณะขณะ น, นั้น เมื่อเห็นอาการที่สิ้นโลภสิ้นโกรธ ส, สิ้นหลงแต่ละขณะขณะเป็นนิพพานแล้วบุคคลทั้งปวงก็จะได้สาเร็จพระนิพพานสิ้นทุกตัวคนเมื่อเห็นดังนั้นแล้วราคาทีหิอาคีหิอาทิตังพระนิพพานนั้นก็จะไม่ได้พ้นจากเพลิงคือราคาโทสะโมหะราคาโทสะโมหะจะเผาพลานพระนิพพานได้ คงอยู่ในอำนาจราคาโทสะโมหะราคาโทสะโมหะเผาผลาญได้อยู่แล้วพระนิพพานก็จะประกอบด้วยทุกมีชาติติทุกเป็นต้นเป็นประธานข้อซึ่งว่าพระนิพพานเป็นที่ระงับทุกนั้นก็จะผิดข้อซึ่งว่าพระนิพพานละเอียดเป็นอารมณ์แห่งโคตรภูยานและมัคคิยานนั้นก็ผิดเหตุฉนี้ จึงจะเห็นแท้ว่าอาการที่สิ้นราคะโทสะโมหะแต่ลัขษณะขณะ น, นั้นจะได้ชื่อว่านิพพานก็หาบ่มีได้ประการหนึ่งมีวาระพระบาลีดีกาจารย์วิสัชนาว่าราคะเสวะขโยนะโทสะราคะขโยนะโสทสะทีนังตถาโถสาทสะทิขยาปิ เนื้อความว่าอาการที่สิ้นราคะสิ้นโกรธสิ้นหลงนั้นต่างๆกันอยู่จะได้เหมือนกันก็หาบอมิได้เมื่อสิ้นราคะนั้นจะเรียกว่าสิ้นโกรธสิ้นหลงก็เรียกบอมิได้เมื่อสิ้นโกรธนั้นเล่าจะเรียกว่าสิ้นราคะสิ้นหลงก็เรียกบอมิได้เมื่อสิ้นหลงนั้นเล่าจะเรียกว่าสิ้นราคะสิ้นโกรธก็เรียกว่าบอมิได้ อาการที่สิ้นราคะสิ้นโกรธสิ้นหลงนั้นต่างกันอยู่ชนี้เมื่อถือเอาอธิบายว่าสิ้นราคะสิ้นโกรธสิ้นหลงเป็นนิพพานถือเอาอธิบายอยู่ฉะนนั้นแล้วนิพพานก็จะแตกออกไปเป็นแต่ละอย่างแต่ละอย่างอาการที่สิ้นราคะก็จะเป็นนิพพานอย่างหนึ่งอาการที่สิ้นโกรธก็จะเป็นนิพพานอย่างหนึ่งอาการที่สิ้นหลงก็จะเป็นนิพพานอย่างหนึ่ง แยกออกไปเป็นแต่ละอย่างแต่ละอย่างชนี้เพราะเหตุว่าอาการที่สิ้นราคาสิ้นโกรธสิ้นหลงนั้น ต, ต, ต่างกันไม่ได้เหมือนกันเมื่อเป็นพระนิพพานแต่ละขณะขณะที่สิ้นกิเลสนั้นแล้วนิพพานก็จะแตกออกไปโดยประเภทมากกว่าร้อยกว่าพันคือขณะเมื่อสิ้นอุปาทานทั้งสี่พระนิพพานก็จะเป็นสี่อย่างสิ้นนิวรห้า พระนิพพานก็จะเป็นห้าอย่างสิ้นตัณหาภายในทั้ง6พระนิพพานก็จะเป็น6อย่างสิ้นอนุสัยทั้ง7สิ้นมิจฉั ต, ตะนิยมทั้ง8สิ้นตัณหาหมูล9สิ้นสังโยชน์ทั้ง10บพระนิพพานก็จะแตกเป็นเจอย่าง8อย่าง9อย่างส0บอย่างตามลำดับกิเลสที่สิ้นไปโดยกําหนดมากและน้อยขณะเมื่อตัดกิเลส1ัน0 พระนิพพานก็จะแตกเป็นพัน0้าร้อยอย่างจะเป็นต่างๆโดยประเภทเป็นอันมากชะนี้เพราะเหตุที่เห็นเนื้อความเอาแต่ตามพระบาลีว่าสิ้นราคะสิ้นโกรธสิ้นหลงนั้นเป็นพระนิพพานเหตุนี้ผู้มีปรีชาพึงเห็นอธิบายในบทว่าราคะคโยโทสักคโยโมหคโยราคะโทสะโมหะจะสิ้นไปเป็นสมุทเฉทนั้น อาศัยแก่พระ น, นิพพานพระนิพพานนั้นจะแตกออกไปเป็นโดยประเภทต่างๆเป็นแต่ละอย่างแต่ละอย่างมากกว่าร้อยกว่าพันดังว่ามานั้นหามิได้พระนิพพานธรรมก็อย่างเดียวนั้นละ่ะแต่ว่าเป็นเหตุดับกิเลสทั้งปวงมีราคะโทสะโมหะเป็นต้นนั้นอาศัยแก่พระนิพพานแล้วจึงสิ้นไปเอตุชนี พระบาลีว่าราคัคคโยโทสะคขคโยโมหคัคโยสับทั้งสามนี้ท่านจึงแสดงเป็นชื่อแห่งพระนิพพานพึงเห็นอธิบายอย่างนี้อย่าพึงเห็นอธิบายว่าอาการที่สิ้นราคาโทสะโมหะเป็นนิพพานอย่าเห็นดังนั้นไม่ชอบถ้ามีละทิทฐิยังเห็นยืนอยู่ดังนั้น พระนิพพานก็จะแตกแยกออกไปเป็นแต่ละอย่างแต่ละอย่างมากกว่าร้อยพันครั้นแตกออกไปเป็นอย่างๆเป็นนิพพานแต่ละขนาดขนาดที่สิ้นกิเลส ด, ดังนั้นแล้วกิริยาที่สิ้นกิเลสไปเป็นตัทังค่ขปหารก็จะเป็นนิพพานสิ้นด้วยกันเมื่อจัดเอากิริยาที่สิ้นกิเลสไปเป็นตังค่ขปหารนั้นเป็นนิพพานแล้ว พระนิพพานก็จะได้ทั่วไปในสันดานสัตว์ทั้งปวงมิได้เลือกหน้าบาดแม้นทว่าคนอันพานหาปัญญามิได้เป็นคนมืดมนทีเดียวก็อาจจะได้พระนิพพานในการบังคาบบางทีเหตุว่าสันดานแห่งชนอันพานนั้นใช่ว่าจะกูลมูลมองไปด้วยราคะโทสะโมหะสิ้นการเป็นนิดหามิได้บังคาบก็รู้สิ้นราคะลงบ้าง รู้สิ้นโกรธลงบ้างรู้สิ้นหลงลงบ้างเป็นเอกเทศจำเพาะ อ, อันตมโสโดยกําหนดเป็นที่สุดจนแต่สัตว์เดรัจฉานเป็นต้นว่าเสือเหลืองเนื้อละวานอนก็มีกําหนดสิ้นราคะสิ้นโกรธสิ้นหลงอยู่แต่ละครู่ละสมัยโดยเพศวิสัยแห่งตนแห่งตนที่เป็นชาติสัตว์เดรัจฉานที่ปิมิกะม ก, กตาทีนางปิ สุวินเยยโยและอาการที่สิ้นราคะสิ้นโกรธสิ้นหลงแห่งสัตยราชานทั้งหลายมี้อเหลืองและเนื้อและว่านอนเป็นอาทิบุคคลทั้งปวงจะพึงสังเกตได้โดยง่ายโดยง่ายถ้าสิ้นราคะโทสะโมหะแต่ลัขษณะขณะ น, นั้นจะเป็นนิพพานได้แต่ละอันแล้วพระนิพพานนั้นก็จะถึงทั่วไปแก่สัตยราชานอันเป็นอเหตุกะปฏิสนธิ จะพึงมีทั่วไปในสัตว์เดรัจฉานพระนิพพานก็จะเป็นธรรมอันหยาบเป็นธรรมอันบุคคลทั้งหลายจะพึงรู้ง่ายพระนิพพานนี้เป็นธรรมอันสุคุมละเอียดยิ่งนักเป็นธรรมอันบุคคลทั้งหลายจะตรัสรู้ได้เป็นอันยากมีได้รู้มีในสันดานแห่งคนอันถพาลนและสันดานแห่งสัตว์เดรัจฉานอันเป็นอเหตุกะปฏิสนธิ เหตุนี้จึงเห็นแท้ว่าซึ่งอาจารย์ผู้โจทย์ถือลัทีว่าอาการที่สิ้นราคาโทสะโมหะเป็นนิพพานนั้นเป็นอันผิดมีควรที่จะเชื่อฟัง เ, เป็นประทัดฐานได้